3. ปฏิบัติธรรมแล้วได้อะไรหนึ่งเราปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อจะเอาอะไรแล้วก็ไม่เสียอะไรในวงเล็บเพราะตัวเราไม่มีไม่ได้ภาวนาให้เหนือธรรมดาแต่จะได้สัมมาทิฐิเห็นความจริงของกายของใจในวงเล็บขันว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับควบคุมไม่ได้หรือพิจารณาจนขันกระจายตัวเห็นว่าขันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เขา อีกทั้งไม่ปรุงแต่งกายวาจาใจแต่ให้รู้ทันไม่ไปควบคุมบังคับมันจนใจเป็นกลางต่อกุศลและอกุศลจิตก็จะผ่องใสสองการภาวนาไปจนเป็นพระอรหรันตก็ไม่ได้อะไรมาและไม่เสียอะไรไปเพราะไม่ได้จะเอาอะไรและไม่ได้ยึดถืออะไรกระทั่งมรรคผลนิพพานแต่เพราะไม่ได้ยึดถืออะไรตั้งหากจึงได้มรรคผลนิพพานไม่ได้เสียอะไรเพราะเราไม่เคยมีอะไรอยู่แล้ว แต่จะได้ความรู้ความเข้าใจได้สัมมาทิฐิเห็นความจริงของริยสัตว์ผลที่ได้จะเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายจึงคลายกําหนัดเมื่อคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มี